ยุ่งยากอยากเรื่องที่อยากจะพูดคือเรื่องฤดูเข้าพรรษาย้ำขึ้นมาบางท่านอาจคิดว่าจะพูดเรื่องเข้าพรรษาทำไมไม่พูดแต่วันก่อนเข้าพรรษาเหมือนคนอื่นๆเขาจึงขอเรียนให้ทราบว่าที่ไม่จริงพูดอย่างนั้นก็เพราะไม่จําเป็นวันเข้าพรรษาไม่ใช่มีแต่วันขึ้น15คหาหรือวันแรมหนึ่งค่วันเดียวที่จริงวันเข้าพรรษามี90วัน ส่วนวันกลางเดือน8นั้นเป็นเพียงวันเริ่มเข้าพรรษาเท่านั้นตั้งแต่วันนั้นมาหาวันนี้และต่อไปอีกรวม90วันเป็นวันเข้าพรรษาทุกวันและเรื่องที่คิดจะพูดก็ไม่ใช่เรื่องประเพณีเข้าพรรษาไม่ใช่จะมาแนะนำเรื่องทาบุญตักบาตรเพื่อถวายผ้าอ่างน้ำฝนหรือถวายพุ่มเทียนไม่ใช่ทางนั้นที่จะพูดนี้พูดทางปฏิบัติธรรมะ ของพวกชาวบ้านเราพระท่านจะเข้าพรรษาท่านก็เข้าของท่านแล้วนั่นเรื่องของท่านทีนี้เราหันมาพูดเรื่องของเราฤดูเข้าพรรษาเป็นฤดูฝนพูดถึงฤดูเสียก่อนปีหนึ่งแบ่งออกเป็น3มฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนใน3มฤดูนี้ดินฟ้าอากาศไม่เหมือนกันฤดูร้อนเป็นฤดูที่อากาศร้อนแดดเผา ซึงฤดูนี้คนมักจะทิ้งบ้านถือเป็นฤดูเที่ยวพวกบางกอกนิยมหนีไปเที่ยวบนนอกพวกบนนอกนิยมเข้ามาเที่ยวบางกอกพระทิ้งวัดเด็กทิ้งโรงเรียนแม้แต่ข้าราชการก็ทิ้งงานฤดูร้อนเป็นฤดูทิ้งฤดูหนาวเป็นฤดูทนเข้าฤดูหนาวแล้วดินฟ้าอากาศแรงจัดลมก็จัดหนาวก็จัดน้ำค้างก็จัดคนต้องทนทนต่ออากาศ พวกภาคใต้ภาคกลางคงจะไม่รู้สึกว่าได้ทนเท่าไหร่ยิ่งผู้มีเงินทองด้วยเหตุที่จะทนก็น้อยลงท่านที่อยู่ทางภาคเหนือกับภาคอีสานสิรู้แน่ว่าต้องทนแค่ไหนเวลาหนาวจะจัดแล้วมันหนาวไม่รังไม่รอจริงๆหนาวเด็ดขาดนกะหนาวตั้งแต่พลทหารถึงแม่ทัพไม่มียกเว้นคลุมโปงแล้วก็ยังหนาวบางทีพลิกเอาที่นอนทับข้างบน มันก็อย่างหนาวที่พูดว่าฤดูหนาวเป็นฤดูทนดูท่าทางของคนหนาวก็รู้ว่าอยู่ในท่าที่ต้องทนคือต้องเม้มปากต้องกัดฟันต้องเกรงไปทั้งตัวตกลงในปีหนึ่งเป็นฤดูทิ้งเสียหนึ่งเป็นฤดูทนอีกหนึ่งหมดไป2 ส, ส่วนแล้วเหลืออยู่อีกส่วนเดียวคือฤดูฝนฤดูฝนก็คือฤดูเดี๋ยวนี้แหละเป็นฤดูที่แปลก กว่าฤดูอื่นๆข้าพเจ้าตั้งชื่อง่ายๆว่าฤดูทำฤดูร้อนเราทิ้งฤดูหนาวเราทนฤดูฝนเราทำฤดูฝนเป็นฤดูเจริญทุกสิ่งทุกอย่างเจริญงอกงามขึ้นอยู่ในฤดูฝนเป็นส่วนมากหลักสําคัญก็คือมีฝนตกทําให้แม่น้ําลําทานตลอดจนห้วยหนองคลองบึงที่พร่องน้ํากลับเต็มไปด้วยน้ํา ดินแดนที่แห้งแลง้งผู้คนอดน้ำเช่นภาคอสารก็มีน้ำใช้น้ำกินเพียงพอต้อนไม้ใบหญ้าที่ร่วงโกลนในฤดูร้อนกลับสดชื่นขึ้นฝนตกแล้วดีจริงสัตว์สาราสิงก็อิ่มหญ้าอิ่มน้ำฤ ด, ดูฝนเป็นฤ ด, ดูทำไร่ไถนาข้าวที่งอกในหน้าฝนเลี้ยงคนเลี้ยงสัตว์ไปตลอดปีเอาเป็นเสร็จไปทีเรื่องดินฟ้าอากาศ เรื่องวอัวควายเป็ดไก่ผ่านไปได้ย้อนมาดูเรื่องของคนท้าเจ้าพูดไว้แล้วว่าฤดูฝนเป็นฤดูท ร, ร ม, มาถึงฤดูนี้คนทุกคนต้องทาใครไม่ทาเป็นผิดเรื่องระหว่างประเดี๋ยวพระการจะสวยอายุเข้าฤดูฝนแล้วพระท่านก็เข้าพรรษาคนที่ยังไม่เคยบวชก็คิดจะบวชจะเรียนไม่คิดจะบวชตัวก็คิดจะบวชลูก ไม่คิดจะบวชลูกก็คิดจะบวชผัวคนที่ทิ้งอะไรๆตั้งแต่ฤดูร้อนก็เริ่มกลับนักเรียนก็เริ่มกลับเข้าโรงเรียนครูก็กลับเข้าประจำชั้นข้าราชการก็กลับเข้าประจำงานทหารก็กลับเข้าประจำกองชาวนาก็กลับลงนาเรียกว่าทุกคนเขาบ่ายหน้าไปสู่ความเจริญเอาจริงเอาจังกับงานกับกา ร, รเรียน ตลอดจนการฝึกฝนอย่างเช่นทหารฤดูฝนนี้ดีจริงๆทีนี้ตะล่มเรื่องเข้ามาเฉพาะวงพุทธศาสนิกหรือการปฏิบัติธรรมฤดูฝนนี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระอยู่ประจําที่ซึ่งเรียกว่าจําพรรษาบางทีเราเรียกฤดูนี้ว่าฤดูพรรษาในฤดูพรรษานี้ถือว่าเป็นฤดูเอาจริงเอาจังของพระเหมือนกันการเรียนก็เอาจริง เข็มงวดกวดขันในพรรษาเรียนกันชนิดหลับคาหนังสือหาความรู้เข้าตัวทางวัดก็ดาเนินการเอาจริงเอาจังหมดฤดูฝนแล้วก็มีการสอบคือสอบดูว่าเมื่อหน้าฝนที่แล้วใครทำมาหาได้เท่าไหร่นี่ด้านเรียนด้านปฏิบัติก็มีพระพุทธประสงค์ให้เอาจริงเอาจังเหมือนกันพระบางองค์หรือส่วนมากนิยมตั้งสัจจะว่า จะเล่นงานกับกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นบางองค์สมาทานทุดงการสมาทานทุดงก็คือประกาศเอาจริงกับกิเลสนั่นเองพูดอย่างทหารก็เห็นจะตรงกับประกาศใช้กฎอัยการศึกคือประกาศว่าเอาละนะฉันจะเอาจริงละในพวกชาวบ้านครูบาอาจารย์ก็สอนให้ปฏิบัติอนุโลมกับพระคือถึงฤดูพรรษาแล้ว ให้ประกาศเอาจริงเลิกหล่อแหละเลิกโลเลคนมีหน้าที่เรียนก็ให้เอาจริงเอาจังกับการเรียนมีหน้าที่สอนก็ให้เอาจริงเอาจังกับการสอนมีหน้าที่ฝึกก็ให้เอาจริงกับการฝึกและพูดปฏิบัติธรรมก็ให้เร่งเอาจริงกับธรรมะเข้าหน้าฝนแล้วนี้จะมัวโอเอสาลาราย อ, อยู่อย่างไรงานของผู้ปฏิบัติธรรมนั้น ว่าย่อๆมีอยู่สองงานคืองานสร้างความดีใส่ตัวกับงานเลิกความไม่ดีให้หมดสิน้นวันนี้อยากจะเสนอเกร็ดบางอย่างในการเลิกความไม่ดีที่ข้าพเจ้าใช้คำว่าความไม่ดีคงจะขัดหูของบางคนอยู่บ้างว่าทาไมไม่พูดตรงๆว่าความชั่วคือที่พูดนี้พูดอนุโลมหูชาวบ้านถ้าใช้คำว่าความชั่ว ชาวบ้านเรามักจะรู้สึกว่าพูดแรงไปความชั่วมันต้องขนาดปล้นฆ่าช่อโกงขนาดพาดหัวหนังสือพิมพ์แล้วจึงจะเป็นความชั่วหูชาวบ้านเข้าใจว่าอย่างนี้หรือรู้สึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใช้แต่คำว่าความไม่ดีซึ่งตรงกันข้ามกับความดีอะไรบ้างไม่ดีคิดเอาเองเพราะรู้กันอยู่แล้วไม่ดีอย่างชาวบ้านเรานี่แหละเช่น ความดุร้ายทารุณจะฆ่าจะแกงกันในบ้านเรือนทุกวันความโป๊ะปดมดเท็จไม่จริงไม่จังจนเมียต้องร้องไห้ความปากร้ายเช้าก็หาเย็นก็ผีจนผัวอ่อนใจความมัวเมาในการเล่นการกินจนครอบครัวต้องคลอนแคลนความดื้อด้านจนพ่อแม่ต้องหลั่งน้ำตา ความเกเรจนครูบาอาจารย์ต้องสายหน้าและความร้ายความไม่ดีอื่นๆ อ, อีกคิดเอาเองในตัวเราคนหนึ่งๆก็มักจะมีความไม่ดีตกค้างอยู่มากบ้างน้อยบ้างความไม่ดีนี่แหละมันคอยเป็นเสนียตัวให้เพื่อนฝูงรังเกียจมันเป็นเสนียบ้านทําให้ครอบครัวไม่เจริญมันเป็นเสนียชีวิตทําให้เราอาภัพปับเฉา พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พยายามเลิกความไม่ดีเสียนี่ก็เข้าฤดูพรรษาแล้วคิดดูบ้างตรวจดูตัวเสียทีเพื่อจะมีเสน่ห์ตกค้างอยู่ไม่ได้หลายอย่างก็เอาอย่างได้อย่างหนึ่งสักอย่างเดียวที่เรามั่นใจว่าเลิกได้แน่ลองสำรวจความไม่ดีในตัวเราก่อนก็ได้เขียนบัญชีเหมือนอย่างที่นายอำเภอสำรวจสมโนครัวก็ดีเหมือนกันเขียนลงไปว่า เรามีความไม่ดีอะไรบ้างเรารู้นี่ว่าในตัวเรามีอะไรค้าใจสปอร์ตพอจะให้คนอื่นช่วยค้นดูให้ด้วยก็ได้พอเราได้สมโนโครัวอันที่ว่านี้แล้วจึงพิจารณาดูว่าฤดูพรรษานี้เราจะเล่นงานความไม่ดีอันไหนอย่าให้มากนะักเอาอย่างเดียวหรือสองอย่างก็พอแล้วประกาศคือในใจ เอาจริงกันสียทีปราบให้ราบในรดูพรรษานี้แหละการเล่นงานความไม่ดีนั้นในตำราสอนไว้ว่าเมื่อเราเลิกละความไม่ดีแล้วเราจะมีความสุขความสบายหลายอย่างฉะนั้นพอเริ่มต้นจะเลิกละความไม่ดีใจเราก็หวังที่จะได้พบความสุขหรือได้ความสุขเป็นบาเหน็จแต่ครั้นปฏิบัติ จ, จริงเราจะได้พบเหตุการณ์บางอย่างที่ ไม่อาจตรงกับตำราก็ได้ที่ไม่ตรงนั้นไม่ใช่ตำราผิดแต่เป็นข้อปลีกย่อยนอกตำราซึ่งย่อมจะมีอยู่ในภาคปฏิบัติทุกๆหลักวิชาเรื่องการเลิกละความไม่ดีก็เหมือนกันจะต้องทราบไ้ด้วยในเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้ข้อสังเกตเป็นส่วนตัวไว้อย่างหนึ่งขอเล่าสู่กันฟังแต่ของท่านผู้อื่นอาจมีดีกว่านี้ท่านผู้ใดมีดีด กรุณาเล่ามาให้ข้าพเจ้าฟังด้วยข้อสังเกตที่ว่านี้คือการเลิกละความไม่ดีแต่ละอย่างนั้นแทนที่ว่าพอประกาศเลิกเราก็จะสบายทีเดียวไม่ใช่ความสุขความสบายนั้นมาทีหลังคือหลังจากที่เลิกได้แล้วแต่ตอนกำลังเลิกนี่เป็นระยะงานระยะต่อสู้เราจะได้พบเห็นเหตุการณ์3มอย่างคือความยุ่งความยาก และความอยากเขาพเจ้าคิดไว้สำหรับตัวเองว่าอาการทั้งสามนี้เป็นด่านต่อสู้คล้ายๆเรารบกับข้าศึกแล้วข้าศึกเขาวางด่านไว้สามชั้นยุ่งยากอยากเราต้องตีให้แตกทั้งสามด่านเราจึงจะชนะถ้ายังไม่ได้ผ่านครบทั้ง3แล้วอย่าเพิ่งนอนใจว่าเราเลิกได้ท่านเองคงจะเคยเห็นมาแล้วหรือเคยโดนกับตัวเองมาแล้ว เช่นบางคนเลิกสูบบุหรี่พอตัดสินใจว่าเลิกแน่ก็เริ่มออกแถลงการทีเดียวใครไม่ถามก็บอกเขาว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเลิกบุหรี่แล้วครั้นไปไปก็วิ่งหาบุหรี่อีกที่เป็นดังนี้เพราะยังตีไม่แตกทั้งสด่านตีได้แต่ยุ่งหรือยากคิดว่าตนชนะแล้วเลยนอนใจเสียไม่ได้กวาดล้างให้หมดด่านแรกที่ว่าด่านยุ่งหมายความว่า ตัวเราเองเกิดไม่แน่ใจสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีกันแน่ยกตัวอย่างเช่นการดื่มเหล้าดีหรือไม่ดีไปหาพระพระบอกว่าไม่ดีพอหันมาหาพวกพวกว่าดีทางหนึ่งว่าไม่ดีทางหนึ่งว่าดีแล้วที่ถูกมันดีหรือไม่ดีกันแน่ความเห็นว่าดีกับความเห็นว่าไม่ดีนี่แหละมันผันกันฉีกไม่ออกก็เลยยุ่งใจเรา คล้ายๆได้ขาวกับได้ดำมันพันกันสับสนว่าจะหยิบเอาได้ขาวได้ดำก็ติดมาครั้นจะเอาได้ดำได้ขาวก็ติดมานี่แหละยุ่งในเรื่องดีไม่ดีก็เหมือนกันถ้าเราเองยังเห็นเป็นสองแง่สองทางอยู่ต้นเดือนว่าเราดีพอตกปลายเดือนว่าเราไม่ดีตอนเช้าเชื่อพระตอนเย็นเชื่อพวกอย่างนี้เลิกไม่ได้แน่ จะต้องเอาชนะความยุ่งเสียคือทำให้มันไม่ยุ่งเราต้องเห็นแน่แก่ใจว่าอันนี้ไม่ดีแน่ถึงจะยังเลิกไม่ได้เพียงแต่แน่ใจว่าไม่ดีแน่เท่านี้ก็เป็นการชนะด่านแรกจะยังไรก็ตามด่านแรกนี้สำคัญมากถ้าชนะด่านนี้ได้ก็เท่ากับชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ส่วนมากเรามักจะแพ้กันตรงนี้ร้อยละประมาณ8ปคน รอดได้สัก20คนเท่านั้นถ้าเป็นการรบกับค่าศสกก็เรียกว่าเสียทหารมากถ้าเป็นการทำงานก็เรียกว่าเปลืองแรงมากแต่ว่าถ้าใครชนะด่านนี้ได้การข้างหน้าก็เบาลงมากรวมความว่าความยุ่งเป็นด่านแรกผู้ที่รักความไม่ดีจะได้พบคือความลังเลใจความไม่ดีทุกอย่างที่เรายังลังเลใจอ ย, อยู่อย่างนี้ยังไม่แน่ใจว่า มันไม่ดีจริงๆความไม่ดีนั้นยังเลิกละไม่ได้นี่ด่านหนึ่งเรียกว่าด่านยุ่งด่านที่สองที่ว่าด่านยากหมายความว่าตัวเราแน่ใจแล้วว่าสิ่งนั้นไม่ดีไม่ได้สงสัยเลยอยากจะเลิกเต็มทีแล้วทีนี้มายากตรงวิธีเลิกคือยากตอนทําเพราะว่าสิ่งที่เราจะเลิกนั้นมันติดนิสัยของเราเสียแล้วของมันติด เวลาจะเอาออกมันก็ยากทั้งที่อยากจะเอาออกเหมือนฟันในปากเราถึงมันผุมันเสียแล้วจะถอนก็ถอนยากถึงกับต้องไปเสียเงินเสียทองจ้างคนอื่นถอนออกให้เพราะฟันนั้นมันติดตัวเรามานานหลายปีแล้วเรื่องความไม่ดีต่างๆก็เหมือนกันยิ่งเราทําท่าเลิกก็ดูยิ่งมีเรื่องติดโน่นขัดนี่ร้อยเงินผันเงืนดูแต่พระพุทธองค์เถอะ พอทรงประกาศว่าเอาละคืนนี้จะทำความเพียรให้บรรลุมขิธรรมแน่ๆเท่านั้นแหละพวกมารแห่กันมาใหญ่ทั้งพอ่อทั้งลูกสาวพากันมาสร้างความยากแก่พระองค์ถึงเราทุกวันนี้ก็เหมือนกันพอเราตัดสินใจว่าเอาละเลิกดื่มเหล้าแน่ประเดี๋ยวบัตรเชิญก็ลอยมาแล้วต้องไปกินเลี้ยงพอตัดสินใจว่าเอาละเลิกสุบุรีแน่ วันนั้นไปที่ไหนเจอแต่คนให้สุบรี่ยากจริงๆตอนนี้แหละด่านยากเราจะได้ดูแพ้ดูชนะกันตรงด่านนี้อีกครั้งหนึ่งบรรดาผู้กลัวยากก็จะถอยกลับกันที่ด่านนี้แต่ว่ากันที่จริงแล้วยากที่เราถอยนี้นิดเดียวเท่านั้นส่วนยากที่เราคอยอยู่ข้างหลังมากกว่าเป็นไหนๆเช่นคนจะเลิกสุบรี มาติดยากตอนเลิกสูบจึงกลับไปหาการสูบอีกอย่างนี้เมื่อเทียบกันแล้วยากเพราะเลิกสูบนั้นความจริงมันยากนิดเดียวยากอยู่สักสิบวันสิบห้าวันเท่านั้นส่วนการกลับไปสูบบุหรี่อีกมากกว่ามากนักไหนจะยากที่จะต้องหาเงินซื้อบุหรี่ไหนจะยากที่จะต้องหาซื้อบุหรี่ไหนจะยากที่จะต้องหาไม้ขีดจุดบุหรี่ แต่จะยากที่จะต้องหาที่เขี่ยบรี่และถ้าสูบไม่เป็นที่เป็นทางเช่นไปสูบในโรงหนังเวลาดูหนังยังจะต้องถูกคนอื่นกระหาติดเตียนเสียผู้เสียคนเข้าอีกยากใหญ่แล้วก็ยากกันเป็นปีๆหรือเป็นเวลา10บสปีทีเดียวนี่ขอยืมเอาเรื่องบริมาเป็นตัวอย่างหน่อยไม่ใช่ข้าพระเจ้าประนามว่าการสูบบริไม่ดีต้องขอโทษ ด, ด้วย ด่านที่สด่านอยากเป็นด่านสุดท้ายละเอียดนิ่มนวลถ้าเทียบกับมารรบกับพระพุทธเจ้าก็ตรงกับตอนเอาลูกสาวมาล่อคือรบกับท่านด้วยเพลงอาวุธจนหมดฝีมือแล้วลงท้ายเอาลูกสาวสวยๆ ส, สามคนมาแร่รำถวายการเลิกความไม่ดีของเราก็เหมือนกันด่านสุดท้ายเราจะบังเกิดความอยากขึ้นในใจอยากอะไร ก็คืออยากจะกลับไปหาสภาพเดิมอีกอยากลองดูอีกถ้าเลิกเล่าก็หมายความว่าขออีกก้งเดียวเลิกสูบบุหรี่ก็ขออีกมวลเดียวเลิกลักขโมยก็ขออีกครั้งเดียวเดียวอันนี้แหละให้ระวังอย่าลืมว่าเดียวอันนี้แหละเดียวของค่าศึกนะถ้าชนะเดียวนี้ก็ชนะไปเหมือนทหารรบกับค่าศึกจนประชิด ต, ตัวแล้ว ฆ่าศึกกระสุนหมดพอดีเสร็จแล้วฆ่าศึกข อ, อกระสุนกับเราเขาบอกว่าถึงเราจะฆ่าเขาก็ไม่ว่าแต่ข อ, อกระสุนให้เขาอีกนัดเดียวแหละถ้าเราเป็นทหารผู้นั้นจะว่าอย่างไรจะให้หรือไม่ให้เดียวของฆ่าศึกนะไม่ใช่เดียวของเราแน่ละ่ะนัดเดียวที่เราให้เขาไปมันจะหมายถึงความพ่ายแพ้ของเราตลอดชีวิตก็ได้เดียวนะ่ะ ไม่ใช่น้อยนะทีแรกก็กลงเดียวแล้วก็อีกลอกลงหนึ่งอีกกลงหนึ่งหนักเข้าเท่าแก่ร้านขายเหล้าต้องเปิดบริการส่งเคราะหขึ้นอีกแผนกหนึ่งคือแผนกช่วยเหลือนับกลงให้ลูกคา้าเคยเห็นไม่ใช่หรือส่วนมากเป็นแผ่นกระดานดำติดอยู่ข้างฝาหลังค้นขายแล้วก็มีเลขโค้ดจดไว้ว่าใครกี่กลงกี่กงนี่มาจากเดียวทั้งนั้น เรื่องการเลิกความไม่ดีก็เหมือนกันลงสุดท้ายเราจะพบความอยากคืออยากกลับไปทางเดิมเป็นความอยากอ่อนๆไม่รุนแรงอะไรเข้าลักษณะขอร้องเหมือนข้าสึกข อ, อกระสุนนัดเดียวนั่นแหละและให้พึงสังเกตว่าความอยากที่ว่านี้มักจะมีคำว่าเดียวกากับท้ายเสมอเช่นมวนเดียวก้องเดียวนิดเดียวและอื่นๆอย่างนี้ทั้งนั้น ถ้าเราชนะเดียวนี้ได้แล้วจึงจะพบความสุขสบายที่พระท่านสอนว่าเลิกล้างความไม่ดีเสียแล้วเราจะได้พบนั้น